ชายคนหนึงเขาเล่าให้ฟังว่าพ่อเขานี่เป็นพ่อค้าแล้วก็สูบบุหรี่จัดมากเขาก็เห็นพ่อสูบบุหรี่จัดตั้งแต่เล็กจนกระทั้งเมื่อเขาโตเขาก็กล้าที่จะเตือนพ่อนะเรื่องสูบบุหรี่ว่ามันทําให้เป็นโรคหลายแรงหลายอย่าง พ่อก็ไม่ฟังก็ยังสูบบุหรี่จนกระทั่งในสุดก็พะว่าพ่อนี่เป็นมะเร็งปอดขนาดเป็นขนาดรู้ตัวเป็นมะเร็งปอดแล้วนี่พ่อก็ยังไม่ยอมเลิกนะลูกก็เขี่ยวเข็นที่แรกก็ขอร้องนะตอนหลังก็ถึงกับพูดจาแรงๆให้พ่อเนี่ยเลิกสูบบุหรี่พ่อก็ยัง ทีแรกพ่อก็รัปากนะแต่ว่าก็ก็ยังเห็นแอบเห็นเห็นพ่อแอบสูบบุหรี่อยู่เป็นครั้งคราวจนกระทั่งล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลต้องไปฉายแสงนะต้องไปฉีดเคมีโออาการก็ผงพ่อก็แย่ลงพ่อก็ยังสูบบุหรี่อยู่นั่นแหละสุดท้ายเขาก็ ทั้งขอร้องทังคาดคันพ่อว่าพ่ออาการหนักขนาดนี้แล้วเนี่ยขอร้องได้ไหมว่าอย่าสูบบุหรี่ในที่สุดพ่อก็รับปากว่าตกลงจะงดบุหรี่และจะไม่สูบในช่วงนั้นอาการพ่อก็แย่ลงในบ้านที่พ่ออยู่ก็อากาศไม่ดีเขาก็เลยให้มาพักอยู่ที่คอนโดที่เขาซื้อเอาไว้ เป็นคอนโดว่างๆให้มาอยู่แล้วก็ให้จ้างคนมาดูแลเขาก็มาเยี่ยมพ่อเป็นครั้งคราววันหนึ่งก็ไปเยี่ยมพ่อเสร็จแล้วก็เดินไปที่ระเบียงก็เห็นก้นบุหรี่อยู่ที่ตกอยู่ที่ระเบียงหลายก้นพ่อก็เห็นเขาก็โกรธมากเลยว่าพ่อนี่ไม่ทำตามสัญญา พ่อรับปากแล้วทำไมก็ยังแอบสูบบุหรี่าทั้งที่สุขภาพก็แย่แล้วขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ไม่สังวรเขาก็รีเลยนะตรงไปเลยนะไปต่อว่าพ่อต่อว่าด้วยความโกรธเป็นความโกรธที่เกิดจากความหวังดีเกิดจากความรักนะแต่ความรักกับความโกรธมันก็บางทีมันก็เหมือนกับ2ด้านของเหรียญเดียวกันนะยิ่งรักมาเท่าไหร่ก็ยิ่งโกรธมากเมื่อผิดหวังเมื่อ เขาไม่แค่์ไม่สนใจความปรารถนาดีของเราพ่อก็ปฏิเสธว่าพ่อไม่ได้สูบพ่อเลิกมาได้หลายเดือนแล้วพูดพ่อแบบพูดแบบนี้เขาก็ยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่ว่าหลักฐานมันคาหนังคาเข า, า, ข า, ขาแล้วก็ยังปฏิเสธยิ่งโกรธยิ่งแค้นยิ่งโกรธก็ยิ่งโมโหก็ยิ่งว่าพ่อแรงนะ พ่อก็อยืนกลางกระต่ายค้าเดียวไม่ได้สูบก็เลยเกิดปากเสียงขึ้นมาสุดท้ายก็รู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วเขาก็เลยนะเดินกลับก็เรียกว่ากลับบ้านทันทีเลยพอรสัวพ่อนี่หมดหวังไม่เชื่อแลอนน้วตลอด้นความสัมพันธ์ของเขา ก, กับพ่อก็ไม่ค่อยดีก็มาดีขึ้นตอนที่พ่อเริ่มใกล้จะตายแล้วระยะสุดท้ายเขาก็ กลับมาดูแลใจใส่พ่อจนกระทั่งพ่อจากไปก็เสียใจนะแต่ว่าก็ส่วนนึงก็ทำใจไว้แล้วเพราะเรื่องก็เกิดขึ้นมาเป็นปีๆแล้วตอนที่จัดการทุละเผาศพพ่อเสร็จแล้วก็เตรียมเคลียร์เข้าของของพ่อที่คอนโด <nut advisory> เขาก็เดินไปที่ระเบียงบอกกัว่าที่ระเบียงมันก็ยังมีก้นบุหรี่อยู่เป็นก้นบุหรี่ใหม่ๆด้วยเขาก็เอจใจขึ้นมาเอ๊ะพ่อไม่อยู่แล้วนะต้องเป็นเป็นอาทิตย์แล้วเป็นเดือนล้วทําไมก้นบุรี่มันยังมีอยู่เขาก็มองไปข้างบนก็บังเอิญได้ยินคนคุยกันก็เลย พบความจริงว่าไอ้ก้นบุหรี่นี่มันไม่ใช่มาจากพ่อของเขาหรอกมันมาจากคนที่พักอยู่ข้างบนนะพักอยู่ข้างบนสูบบุหรี่ที่ระเบียงแล้วก็โยนก้นบุหรี่ลงมาแล้วก้นบุหรี่มันคงจะโดนลมพัดนะก็เลยตกมาที่ระเบียงที่อยู่ข้างล่างตรงกันตอนนี้เขาก็รู้ความจริงแล้วว่าที่จริงพ่อไม่ได้สูบบุหรี่แต่ว่าเขาก็ ต่อว่าพ่อไปเรียบร้อยแล้วนะเลยแถมยงต่อว่าพ่อว่าพ่อนี่ปากแข็งหลักฐานคาหนังคาข า, ขาแล้วก็ยังปฏิเสธนะเขาก็รู้สึกผิดมากเลยนะที่เขาได้ต่อว่าพ่อแล้วก็ซึ่งก็คงจะทำร้ายจิตใจพ่อไม่น้อยพ่อวันนั้นก็มีปากเสียงรุนแรงมากอยากจะขอโทษพ่อนะแต่ว่า ไม่สามารถขอโทษพ่อได้แล้วเพราะพ่อนี่ไปประลกแล้ว เ, เราฟังเรื่องของผู้ชาคนนี้เราได้แง่คิดอะไรบ้างหรือเปล่ามันเป็นอุทาหรณ์สอนใจอย่างดีเลยนะว่าอย่าด่วนสรุปนะอย่าด่วนสรุปแม้ว่าจะเห็นก้นบุรี่ตกอยู่ในระเบียง นะของห้องที่พ่อนอนพักนอนรักษาตัวมันก็ไม่ได้แปลว่ากลนบุรีนั้นนะมาจากพ่อแต่เขาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเห็นพ่อสูบบุรีนะตรงนั้นนะแต่เ็าเห็นกนบุรีเขาก็สรุปแล้วว่าพ่อสูบบุรีแน่นอนและความที่ด่วนสรุปแล้วก็มั่นใจในความคิดของตัว ก็ทําให้เขาเนี่ยทะเลาะบบาแหวงกับพ่อความสัมพันธ์ก็ร้าฉา น, นตลอดเวลาเขาคิดว่าเขาถูกตลอดเวลาแล้วเขาเชื่อว่าพ่อผิดนะแต่ตอนนี้ความจริงก็พบว่าความจริงก็เผยมาแล้วว่าเขา่ต่างหากที่ผิดพ่อจะเป็นฝ่ายถูกคือพ่อไม่เคยสูบบุีเลยนี่เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่นะของชายคนนี้นะซึ่ง แม้ผ่านมาเป็นสิบปีเขาก็ยังรู้สึกผิดต่อพ่อแต่ว่าสำหรับเรานะถ้าหากว่าเราได้ฟังเรื่องเราแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็น่าจะได้บทเรียนว่าเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปด่วนสรุปไม่ใช่เฉพาะเหตุการณ์ทำนองนี้นะเหตุการณ์อื่นเนี่ยแม้ว่ามันจะมีรูปลักษณะอาการที่ชวนให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะก็อย่าเพิ่งด่วนสรุป ว่ามันเป็นอย่างที่เราเข้าใจหรือว่าจะเพิ่งด่วนสรุปว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดเพราะว่าความจริงอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะธรรมดาคนเราเนี่ยมันเจอเหตุการณ์ทํานองนี้ก็ต้องสรุปไว้ก่อนนะแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่รอบคอบเนี่ยเราก็จะไม่หลงเชื่อมันง่ายๆ ไม่หลงเชื่อความคิด น, นะนะแล้วก็จะต้องคิดเผื่อเอาไว้ว่าอาจจะมีความจริงอาจจะเป็นในรูปอื่นก็ได้หรืออาจจะมีเหตุอื่นก็ได้ที่ทําให้มันมีก้นบุหรีตกลงมานะที่ระเบียงพระเจ้าอี่เคยตรัสนะเรื่องกลามาสูตรนะกลามสูตรเนี่ยก็คือข้อเตือนใจสิประการ ข้อแรกเนี่ยก็คือว่าอย่าหลงเชื่อเพียงเพาะเป็นเป็นอย่าหลงเชื่อเพียงเพาะล่าลือกันมาหรือพูดต่อต่อกันมานะพูดงอย่าหลงเชื่อข่าวลือนั่นเองอย่าเชื่อเพียงเพาะเป็นข่าวลือแล้วก็ข้อลองๆลงมาเนี่ยก็จะมีข้อบอกว่าเนี่ยอย่าเชื่อเพียงเพาะรูปลักษณะอาการน่าเชื่อถือหรืออย่าเชื่อเพียงเพาะสรุปเอา นะเพราะว่าไอสิ่งที่เราสรุปหรือว่าลักษณะอาการที่มันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ความจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้งั้นถ้าเรามีกลธารมสู่เตือนใจเนี่ยเราก็จะไม่หลงเชื่อความคิดของเราง่ายๆหรือว่าเราจะไม่รีบด่วนสรุปนะแม้ว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นการสรุปหรือเป็นการอนุมานอย่างดีแล้ว แต่ว่าการอนุมาหรือการสรุปของเราก็อาจจะผิดได้นะคนทุกวันนี้เนี่ยนะเ <c oughs> ชื่อความคิดตัวเองง่ายเนะชื่อไม่เท่าไหร่นะซ้ำยังด่วนสรุปด้วยนะ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นมาก็รีบสรุปแล้วเราไม่ยอมคิดเผื่อเอาไว้อที่ไม่คิดเผื่อก็เพราะว่าพอ สรุปอะไรได้เนี่ยมันก็จะเรียกว่าหัวปากหัวปากับความเชื่อนั้นนะกับสิ่งที่ตัวเองสรุปนะแล้วก็บ่อยครั้งถ้าเราทบทวนดูเราก็จะพบว่าไอการด่วนสรุปของเราเนี่ยมันก็มีผิดเยอะนะคนเราถ้ารู้จักทบทวนเหตุการณ์ในอดีตก็จะจะได้บทเรียนว่าอย่าด่วนสรุปนะ แล้วก็จะไปหลงเชื่อความคิดของตัวเองง่ายๆบางความคิดของคนเรานี่บางทีมันก็ซับซ้อนนะมันก็ปรุงแต่งจนบางทีเราตามตามไม่ได้ไล่ไม่ทันมีเรื่องเล่าว่าลูกกับพ่อเนี่ยขับรถนะในตอนค่ำคืนดึกละพอ ไปถึงแถวยมราชนะปรากฏว่าไฟสัญญาณจราจรแล้วก็แผงกั้นรถไฟเนี่ยมันเสียแล้วตอนที่รถเนี่ยแล่นผ่านรางอ่ารางรถไฟเนี่ยปรากว่ามันก็มีรถไฟพุ่งเข้ามาอย่างแรงนะเนื่องจากมันไม่มีแผงกั้นเนี่ยรถไฟก็เลยชนรถของ สองคนนั้นพังยับเยินพ่อเนี่ยตายกระทันหันนะส่วนลูกนี่อาการรอแรกผู้ใหญ่นการก็รีพาส่งโรงพยาบาลถาน้ำนี่ลงพยาบาลนี่นะรามาอาการคนไขน้นี่นะสาหัสมากนะก็ต้องมีการผ่าตัดด่วนแล้วก็โดยเฉพาะผ่าตัดสมองเนี่ยเพราะว่าได้รับการกระทบกระเทือนมาก ก็มีการแจ้งให้สัญญาแพทย์หรือหมอผาตัดรีบมาผ่าตัดทันทีเลยแต่ว่าสัญญาแพทย์นี่พอมาถึงเตียงคนไข้เนี่ยพอรวกพอเห็นหน้าคนไข้แกก็ตวแข็งเลยนะบอกว่าผ่าไม่ได้เขาผ่าไม่ได้นะคนไข้คนนี้เพราะว่าเป็นลูกเขาเองเราฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ย เราจะอธิบายเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรเพราะว่าพ่อเนี่ยเพิ่งตายไปนะแล้วสัญญาแพทย์ก็บอกว่าคนไข้คนนี้เป็นลูกเขานะหลายคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นลูกเลี้ยงหรือเปล่านะคำตอบคือไม่ใช่บางคนใช้เวลา ครึ่งชั่วโมงก็ยังตอบไม่ถูกนะว่าไอ้เรื่องนี้มันแปลว่าอะไรบางคนถึงก็บอกว่าเป็นเพราะสงสัยผีหรือเปล่านะผีมันหลอกหรือเปล่าไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องผีหรือไม่ใช่เรื่องอะไรเลยนะความจริงคือว่าสัญญาแพทย์เนี่ยเป็นผู้หญิงก็คือแม่ของคนไข้ไง แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยพอเจอคําถามเนี่ยก็จะเจอเรื่องราวนี้ก็จะนึกไม่ออกว่ามันเกิดมันเป็นไปได้ยังไงพ่อก็ตายไปแล้วแล้วพ่อจะมาผ่าตัดได้ยังไงพ่อเขาคิดอยู่พอเขคิดอยู่ว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าสัญญาแพทย์เนี่ยเป็นผู้ชายเนีเวลาพูดสัญญาแพทย์หรือหมอผ่าตัดนี่ก็นึกภาพเป็นผู้ชายทันทีเลยพอนึกภาพแบบนี้ก็เลยงงว่าจะมีพ่อสองคนเนี่ยเป็นไปไม่ได้ แล้วคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้นะว่าจิตของเรามันปรุงแต่งไปแล้วพอได้ยินคําว่าสัญญาแพทย์เนี่ยก็นึกภาพผู้ชายทันทีนะแต่ในโจทย์นี่มันไม่ได้บอกเลยนะว่าสัญญแพทย์เป็นผู้ชายแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะโดยเพราะคนที่มีการศึกษาเนี่ยนะเขาจะนึกภาพไปเลยว่าหมอผ่าตัดนี่เป็นผู้ชายเคยเอาไปถามเอาไปเล่าให้ หลายวงนะน้อยคนที่จะตอบถูกแล้วก็ใช้เวลานานนะจนกระทั่งต้องบอกว่าหอยเฉลยว่าตรลงมันเป็นยังไงพอรู้คาตอบก็ร้องอ๋อเลยอ๋อไอเรานี่ไปคิดว่าสัญญาแพทย์หมอผ่าตัดเป็นผู้ชายอันนี้มันคือสิ่งที่จิตเราปรุงแต่งขึ้นนะจากความคุ้นเคยจะเรียกเป็นสัญญาก็ได้สัญญาความจำได้หมายรู้สัญญาของเราเนี่ยเวลาเจอ เจอหมอผาตัดแล้วก็เห็นเป็นผู้ชายนะอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าคนแล้วคนเล่าเราก็เลยไปประทับว่าหมอผาตัดหรือสัญญาแพทย์เนี่ยพอได้ยินปุ๊บก็นึกถึงผู้ชายทันทีอันนี้คือสิ่งที่จิตเราปรุงแต่งต่อเติมขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราลองคิดดูซะว่าในหลายต่อหลายเรื่องเนี่ยนะ เราปรุงแต่งต่อเติมสิ่งที่เราได้ยินหรือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยกี่ครั้งแล้วเคยมีการนะเล่านะเหตุการณ์ที่ง่ายกว่านี้นะเด็กคนหนึ่งได้เงินมา20บบาทก็รีบไปไปซื้อขนมรีบเข้าไปในร้านซื้อขนมเสร็จก็เอาเงินให้เจ้าของร้าน เจ้าของร้านก็คืนเงินมาทอนเงินมาหบาทเด็กก็รีบเก็บขนมคว้าขนมแล้วก็เงินทอนใส่กระเป๋าแล้วก็รีบออกไปเรื่องนี้นี่เราจะอธิบายว่าอย่างไรบางคนบอกว่าเด็กเนี่ยบางคนบอกว่าเนี่ยเจ้าของร้านทอนเงินผิดสมมติว่าเจ้าของร้านทอนเงินถูกนะ แล้วมันจะเราจะอธิบายว่าอย่างไรหลายคนนี่ใช้เวลานานนะก็ยังตอบไม่ได้ว่าถ้าเด็กไม่หลงลืมไม่เพ้อเลอแล้วก็เจ้าของร้านก็ทอนเงินถูกต้องแล้วมันเป็นไปได้อย่างไรมีเงิน20บนะซื้อของ5าบาทนะซื้อของ5บา ท, นะออบาทเมื่อกี้ลืมบอกไปนะซื้อขนม5บาท นะคนไข่เจ้าของก็ทอนมา5้าบาทนะมันผิดหลักคณิตศาสตร์นะแต่คตําตอบคือว่าเด็กเนี่ยนะมี20บาทก็จริงแต่ว่าเขาตอนที่เขาเอาเงินให้เจ้าของร้านนี่เขาเอาเงิน10บาทให้นะใช่ไหมแต่ว่าใจเราเนี่ยนับนึกภาพไปแล้วว่าเด็กเนี่ยเอาเงิน20บาทให้พ อ, เ, อเงิน20บาทให้ทอนมา5บาท มันเป็นไปได้ยังไงในเมื่อของมาราคาห้าบาทนะถามว่าไอในโจทย์นี้ไม่ได้บอกสักหน่อยนะว่าเด็กเนี่ยยื่นเงิน20บาทให้เจ้าของแต่ว่าใจเราเนี่ยสร้างภาพไปแล้วปรุงไปแล้วเติมไปแล้วว่าเด็กให้เงิน20เราไม่ได้คิดเผื่อเลยว่าเด็กอาจจะให้10บาทก็ได้นะถึงได้เงินทอนมา5บาท เห็นไหมว่าจ <group Steph ane> anyway, ิตของเราเนี่ยนะมันมันเติมแต่งนะอะไรต่ออะไรเกินเกินสิ่งที่ได้เกินโจทย์ที่ได้มาหรือสิ่งเกินกว่าสิ่งที่เราเห็นได้ซ้ำอะนนี้ความคิดของเราเนี่ยนะมันมันจึงเป็นสิ่งที่จะเชื่อมันมากทีเดียวก็ไม่ได้นะเพราะว่าสิ่งที่จิตมันต่อเติมขึ้นมาเนี่ยนะบางทีเราไม่รู้ตัว นี่เราจะไปอย่าไปหลงเชื่อความคิดง่ายๆนะหรือว่าอย่าไปด่วนสรุปนะคนที่เสียพูดเสียคนเนี่ยนะพอด่วนสรุปนี่ก็มีเยอะแล้วนะบางทีความคิดเนี่ยมันก็สั่งให้เรานะสั่งให้เราพูดสั่งให้เราดา่านะสั่งให้เราทําร้ายเข้าของ มันคิดได้นะแต่ว่าจะทำตามมันทุกอย่างเนี่ยไม่ได้เลยถ้าเราเป็นคนที่ฉลาดนะเราก็จะรู้ว่าความคิดเนี่ยมันจะเชื่อมันทุกอย่างก็ไม่ได้แล้วก็แต่ว่าคนฉลาดหลายคนนะก็อดหลงเชื่อความคิดไม่ได้เพราะว่าเขาถูกฝึกมาเพื่อให ให้คิดให้คิดให้คิดจากเขาไม่ได้ถูกฝึกมาเพื่อให้รู้ทันความคิดนะยิ่งการรู้จักวางความคิดนี่ก็ยิ่งไม่เคยฝึกมาเลยอันนี้เป็นปัญหาคนสมัยนี้มากนะคือคิดเก่งคิดเร็วคิดไวทำให้ด่วนสรุปแต่ว่าไม่รู้จักทักท้วงความคิดหรือว่าไม่รู้จักวางความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดจนนอนไม่หลับนะ คิดจนเป็นบ้าก็มีคิดจนเครียดก็มีนะโดยเพราะไปคิดถึงเรื่องอนาคตเที่ยงมาไม่ถึงก็ทำให้วิตกกังวลจนกลุ้มอกกลุ้มใจใ้เราเนี่ยในเมื่อเราคิดเก่งแล้วคิดไวแล้วเนี่ยเจะต้องมีอีกสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือความรู้จักทักท้วงความคิดไม่ผีผามด่วนสรุปนะ บางครั้งเราก็ต้องรีบสรุปแต่ว่าเราก็จะยังไม่เชื่อมันร0 0เรซนะเราก็ต้องคิดเผื่อไว้คนที่จะรู้จักทักท้วงความคิดนะอันนี้เนี่ยมันต้องอาศัยสติมากเลยนะเพราะถ้าไม่มีสตินี่เราจะพีพรามกระโจนเข้าไปนะตามความคิดแล้วก็ปล่อยให้ความคิดนี้มันลากลู่ถู ก, กลางไป ที่แรกนี่เราปรุงแต่งความคิดนะแต่ต่อไปความคิดมันจะปรุงแต่งเราเราถึงขั้นหลอกเราให้หลงก็มีอย่างเช่นนะของหายกระเป๋าเงินหายนะเพชรนินจินดาหายในห้องนะจะเป็นห้องพักโรงแรมหรือว่าจะเป็นรีสอร์ทนะพอหายนี่เป็นยังไง ก็ต้องหาแล้วหาไม่เจอก็ต้องมีคนเอาไปพอรู้ว่าไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้นั้นมีพนักงานทาความสะอาดมาเข้ามาในห้องเราก็จะสรุปทันทีเลยว่าเนี่ยคนนี้เอาไปเพราะว่าก่อนที่เขาจะเข้ามาเนี่ยของไม่หายพอเขาออกไปแล้วของหายเราก็นุ่มานด้ว่าเนี่ยเขาเอาไป พอเราเชื่อว่าเขาเอาไปเนี่ยเวลาเห็นเขาทําอะไรเวลาเห็นเขาเดินก็จะรู้สึกว่าเขามีพิรุธตลอดเวลาเดินก็มีพิรุธพูดก็มีพิรุธนะจะทําอะไรก็มีพิรุธไปหมดนะจนกระทั่งเราอาจจ ะ, ะเตรียมเรียกตํารวจมาจัดการแต่ผ่านไปสักพักเราก็บังเอิญเจอของชิ้นนั้น นะมันตกอยู่หลั ง, ลงเตียงนะเราก็เลยรู้ว่าอ๋อที่จริงเขาไม่ได้ออกไปพนักงานทำความสัรยนะ์นันไม่ได้ออกไปนะพอเรารู้ความจริงนะเราก็จะเห็นว่า เ, ออเขาเดินก็ดีเขาพูดก็ดีมันก็ปกติเนี่ยไม่มีพิรุธใดเลยเลยหรือว่าเขาเปลี่ยนท่าทางเดินเขาเปลี่ยนอากับกิริยาที่จริงเหมือนเดิมทุกอย่างนะ แต่เป็นตาเป็นใจเราต่างหากนะที่มันเปลี่ยนไปตอนที่เราเห็นเขามีพิรุษเพราะว่าเราเชื่อว่าเขาขโมยแต่พอเราพบความจริงว่าเขาไม่ได้ขโมยนะไอ้สิ่งที่เราเห็นมันก็แปลเปลี่ยนไปไอ้ความคิดว่าเขาขโมยเนี่ยมันทำให้ตาเนี่ยนะของเราเนี่ยมันเพี้ยนไปได้ที่จริงตามไม่เพี้ยนหรอกแต่ว่าเราไปสรุปไปตีความว่า เขามีพิรุษนะไอ้ความคิดว่าเขาขมโมยเขาขมโมยเนี่ยนะมันก็ทําให้เรามองเราเห็นอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ตรงกับความเป็นจริงได้อันนี้เรียกว่าความคิดมันปรุงแต่งเรานะทีแรกเนี่ยเราเป็นคนปรุงเป็นคนแต่งสร้างความคิดขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่รู้ทันเนี่ยความคิดนั้นก็จะปรุงแต่งเรานะ มันจะชวนให้เรามองเห็นว่าเขามีพิรุธตลอดเวลาไม่ว่าเดินไม่ว่าพูดไม่ว่าทําอะไรก็ตามแล้คนส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่กับความคิดมานานนะแต่ว่าก็ไม่เคยที่จะรู้จักความคิดของตัวเองสักทีก็เลยโดนความคิดหลอกซ้ําแล้วซ้ําเล่าแต่ถ้าคนเราเนี่อรู้จักกลับมามองตนอยู่เสมอรู้จักกลับมาใคร่ครวญความคิดเนี่ย มันก็จะเห็นว่าความคิดของเรานี่พาเราเข้าลอกเข้าพงอยู่บ่อยๆอยู่หลายครั้งหรือว่าทำให้เราทะเลาะเบาะแวงกับผู้อื่นเพราะความเข้าใจผิดแล้วเราเนี่ยนะการที่เราจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขแล้วก็ทำกิจการงานได้อย่างราบรื่นนะสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีมากคือการที่รู้จักเท่าทันความคิด นอกจากจะไม่ด่วนสรุปแล้วนอกจากรู้จักคิดเผื่อแล้วเนี่ยต้องรู้จักเท่าทันรู้จักทักท้วงนะสติมันจะสำคัญมากเพราะถ้าเราไม่มีสติเราจะหลงเชื่อมันได้ง่ายอันนี้รวมถึงเวลาเราได้ยินเสียงอะไรที่มันมันไม่คุ้นนะถ้าเราไม่มีสติเรามีความกลัวนะเราก็จะเข้าใจไปว่านะมีคนจะ มุ่งทําร้ายเราอยู่นะข้างนอกหรือว่าอาจจะนึกไปถึงว่ามีผีมาหลอกนะอันนี้ก็เรียกไม่มีสติก็เลยให้ความกลัวครอบงำที่จริงเนี่ยนอกจากความคิดนะแล้วเนี่ยที่เราต้องระวังอย่าไปเชื่อมันตะพึ่ตะพื้แล้วเนี่ยแม้กระทั่งความจําหรือความทรงจําเนี่ยก็ต้องระวังนะ อย่าไปเชื่อง่ายๆบางคนเนี่ยมั่นใจในความจำของตัวมากแต่ว่าความจริงก็คือว่าความความจำคนเราเนี่ยมันมันเลื่อนไหลนะแปลเปลี่ยนผิดเพี้ยนได้ง่ายนะเพราะเราคงจำได้นะเมื่อปี 4-5 นี่มันเกิดเหตุการณ์11กันยานะเหตุการณ์11กันยานี่ก็เครื่องบินพุ่งชนตึก World Trade Center จนพังพินาศ เป็นเหตุการณ์ใหญ่มากหลายคนเนี่ยจำได้เลยนะว่าตอนที่ได้ข่าวนี้ตัวเองอยู่ที่ไหนถ้ามีใครถามก็จะตอบได้แล้วก็มั่นใจด้วยว่าตอบถูกเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเหตุการณ์สําคัญที่จําได้แล้วยิง่งทาไปถามคนอเมริกัน นะคนนิวยอร์กเนี่ยเขาก็ยิ่งมั่นใจนะ ว, ว่าตอนเกิดเหตุการณ์เนี่ยเขาอยู่ที่ไหนแต่ว่า ม, มีการศึกษาชิ้นหนึ่งที่ที่พบว่าแม้กระทั่งเหตุการณ์ใหญ่ๆสะเทือนขวัญสะท้านโลกเนี่ยคนอเมริกันเนก็ยังจำผิดนะไม่ได้จำผิดแค่ 5% 1านะจำผิดถึง 40% ของคนที่เขาทำการศึกษาวิจัย เขารู้ได้ยังไงนะก็คือตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาก็จะมีการสอบถามคนประมาณ 2,100 คนทั่วอเมริกาเลยนะว่าตอนเกิดเหตุการณ์ส1เกัญยาคุณอยู่ไหนคุณอยู่กับใครและคุณทำอะไรบ้างก็รีบบันทึกทันทีเลยนะเพราะว่าเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นสดๆดร้อนๆหลังจากนั้นผ่านไป1ปี3ปี10ปีก็กลับไปถามคนเดิมว่าตอนเกิดเหตุการณ์สะเกัญยาคุณอยู่ไหน แล้วก็กเหตุเอาคำตอบสุดท้ายเนี่ยคือเความจำหลังจากเหตุการณ์ผ่านไป10ปีแล้วเนี่ยเอามาเทียบกับตอนที่เกิดเหตุการณ์สดสดร้อนๆปรากฏว่า 40% ตอบผิดนะเช่นบางคนบอกว่าเนี่ยตอน11กันยายนี่นะฉันผมอยู่บนถนนนะอาจจะบอกได้ซ้ำว่านะเห็นโทรทัศน์ถ่ายทอดนะริมถนนเลย ตอนเกิดเหตุการณ์แต่ความจริงคือว่าเขาอยู่บนอยู่ในออฟฟิศนะเขาอยู่ในออฟฟิศออฟฟิศกับถนนนี่มันคนละเรื่องกันนะแต่ว่าก็มีคนตอบแบบนี้นะทั้งที่มันไม่น่าจะตอบผิดนะความจำคนเราเนี่ยมันเพี้ยนได้นะเป็นไปได้ว่าคนคนนั้นเนี่ยตอนที่เกิดเหตุการณ์สเกัรยาหรือวันนั้นเนี่ยเข า, าจะลงมาที่ถนนด้วยนะแต่ว่า อาจจะลงมาตอนบ่ายเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนเช้าแต่ว่าเขาก็ไปคิดสลับเอาว่าเนี่ยไอตอนที่เกิดเหตุนี่ฉันอยู่บนถนนนะคือเอาเหตุการณ์ข้างหลังมามาทับกับเหตุการณ์ข้างหน้านี่ขนาดคนอเมริกันนะก็ยังจำผิดเลยนะแล้วก็ที่จริงมันก็เคยมีคนศึกษาเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้นะเมื่อ30ปีที่แล้ว ตอนปี29เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ใหญ่ระดับโลกนะคือเหตุการณ์โรงไฟฟ้า น, นิวเคลียร์ที่เชอร์โนบิลประเทศรัสเซียเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุระเบิดนะยิ่งกว่าฟุกุชิมาที่ญี่ปุ่นเมื่อ4ปีที่แล้วก็มีอาจารย์คนหนึ่งที่อเมริกาเขาก็รีบสอบถามนักศึกษาในชั้นทันทีเลยนะว่าตอนเกิดเหตุการณ์เชอร์โนบิลเนี่ยหรือตอนที่ได้ยินข่าวเนี่ยคุณอยู่ไหน อยู่กับใครและกำลังทำอะไรนะแล้วก็สามปีต่อมาเขาก็ไปถามนักศึกษากลุ่มเดิมบอกกว่า44คนเนี่ยตอบผิดหมดเลยนะทั้ง44คนที่ตอบผิดนะแล้วก็มี11คนหรือหนึ่งใน4ตอบผิดทั้ง3ข้อเลยคือตอบผิดว่าฉันอยู่ไหนฉันอยู่กับใครและทำอะไรแค่สามปีเท่านั้นนะอกกว่าความจำเพี้ยนนะ แล้วคนที่ตอบนี่ก็มั่นใจว่าฉันจําถูกนะมันจะผิดได้ยังไงเหตุการณ์เพิ่งผ่านไป3ปีเหตุการณ์ชูนเโบรีย่นี่มันใหญ่ยะตายแต่ปรากฏว่าตอบผิดว่าอยู่ที่ไหนตอนเกิดเหตุเอาคําตอบแรกตอนที่เกิดเหตุการณ์สดสและ้ร้อนกับคําตอบ3ปีให้หลังมาเทียบกันมันคนละเรื่องเลยนี่แสดงว่าอะไรแสว่าความจําคนเรานี่มันมันผิดเพี้ยนนะแปรเปลี่ยนได้ง่าย แล้วคนเราก็ไม่ค่อยรู้นะเราเขี่ยวความจำเนี่ยเราจําแม่นหลายคนหลายคนนี่มั่นใจว่าเหตุการณ์เมื่อตอนอายุสองสามขวบนี่เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเพิ่งมั่นใจนะเพราะว่าแม้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามปีที่แล้วนี่เรายังจําผิดจําเพี้ยนเลยหรือมีโอกาสที่จะจําผิดพลาดได้หเหตุการณ์การวิจัยพวกนี้มันชี้เห็นนะความจําคนเรานี่มันมันเหมือนกับ เหมืนกับขีดพึ่งกันนะคือมันมันเปลี่ยนได้ง่ายมันไม่ใช่เป็นรอยขีดในในหินแล้วก็ยังพูดอีกนะว่าความจําคนเราเนี่ยโน้มน้าวได้ง่ายนะโน้มน้าวให้เปลี่ยนแปลงได้ง่ายหรือว่าสามารถที่จะถูกอิทธิพลภายนอกแปรเปลี่ยนได้ถ้ามีฝรั่งหนึ่งก็แก้งนะแก้งทําให้เกิดอุบัติเหตุรถชนกันตรงสีแส่แยกสี่แยกย่านชุมชนนะ ตอนที่เกิดตอนที่สัญญาณไฟจราจรเนี่ยเป็นสีแดงคนคนเหตุหการณ์นี้เยอะแยะเลยนะทันทีที่เกิดเหตุเนี่ยก็จะมผีผู้วิจัยเนี่ยก็จะส่งคนไปประกาศสิบกรทราบบอกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าไอตอนเกิดเหตุเนี่ยมันสีเขียวนะไฟจราจรนี่สีเขียวประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยได้รับการบอกกล่าวว่าไฟจราจรเป็นสีเขียว เสร็จแล้วเขาก็เริ่มทําการสอบถามว่าตอนเกิดเหตุนเนี่ยคุณอยู่ในเหตุการณ์ไหมอ่าเทาคุณอยู่เหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยไฟจรา จ, จรสีอะไรเราก็ประมาณครึ่งหนึงเนี่ยบอกว่าสีเขียวนะตั้งที่เหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ5นาที10นาทีนี่แหละที่แรกก็จําได้นะว่าเป็นสีแดงนะแต่พอมีคนมาบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่สีแดงมันสีเขียวก็เชื่ อ, เ, อเลยนะแล้วพอเชื่อนะความจําก็เปลี่ยนไปเลยนะ พอถามนี่มันก็นึกภาพสัญญาณจราจรเป็นสีเขียวทันทีเลยนี่มันแสดงว่าความจำคุณรอ น, นี่มันโน้มน้าวเปลี่ยนแปลงได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผู้จ้าตัดว่าเนี่ยสัญญาอนิจจาเนี่ยสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารังอนิจจังเนี่ยสังขารก็ไม่เที่ยงเนี่ยนี่มันมันไม่ใช่ว่าไม่เที่ยงตอนแก่นะไม่ช่าต้องให้เป็นอัลไซเมอร์ก่อนนะถึงว่าจะไม่เที่ยง แม้กระทั่งอย่างหนุ่มอย่างสาวหรือแม้กระทั่งเหตุการ์เพิ่งผ่านไปสดๆร้อนๆนี่ความจำก็เพี้ยนได้เปลี่ยนแปลงได้โน้มน้าวได้แล่นเราก็จะไปเชื่อความจำมากนะแม้แต่ความจำก็เชื่อไม่ได้นะแต่ไม่ใช่ไม่ไม่เชื่อไม่ได้ร0 0นะแต่หมายความว่าอย่าไปมั่นใจร้อเว่าเราจำถูกจำแม่น้วคนแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยตระหนักเรื่องนี้นะ เพราะนั้นพอมั่นใจในความจําของตัวเองเนี่ยแต่ว่าบังเอิญจําผิดเนี่ยบางทีมันทําให้เกิดการทะเลาะ ก, กันนะทะเลาะ ก, กันการทะเลาะบ่อแว่งกันในบ้านในที่ทํางานแม้แต่ในวัดบางทีมันก็เพราะจําผิดจําพลาดหรือจําไม่ตรงกันเช่นหาโทรศัพท์ไม่เจอนะก็จําได้ว่าเนี่ยเอาวางเอาโทรศัพท์ไปวางไว้ใน บนโต๊ะของเพื่อนนะเพราะฉะนั้นก็ไปทวงนี่ไปทวงโทรศัพท์จากเพื่อนว่าเนี่ยฉันวางโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะของคุณเพื่อนก็บอกว่าไม่ได้วางนะอาแค่นี้ก็ทะเลาะ ก, กันแล้วหรือว่าภรรยาก็บอกว่าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยหรือว่าเมื่อวานเนี่ยเอากุญแจห้องให้สามีก็บอกเปล่าไม่ได้ให้ ภรรยาก็บอกว่าให้จำได้แม่นเลยนะว่าให้แค่นี้ก็ทะเลาะกันละนะเพราะต่างคนต่างก็ยืนยันว่าความจำของตัวเองเนี่ยถูกนะการยืนยันว่าฉันถูกแกผิดเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งเกิดจากความมั่นใจในความจำของตัวว่าถูกนะแต่ว่าความจำุนเรานี่มันอย่างที่บอกนะคือมันแปลเปลี่ยนไดนะ้จะเชื่อมันร้อเปอร์เซนต์นี่ไม่ได้เลย เมื่อความคิดนะนะความคิดเราก็เชื่อมันไม่ได้ 100% เพราะว่ามันหลอกให้หลงนะมันทำให้เราเผลอก็ได้นะมันต่อเติมมันปรุงแต่งขึ้นมาได้นะความจำานี่นก็มีการต่อเติมปรุงแต่งขึ้นมาเองโดยไม่รู้ตัวนะมันไม่ใช่แค่ต้องรอไม่ใช่ความจำสมัยเด็กนะแม้กระทั่งความจำเมื่อไม่ ก, กี่วันไม่ ก, กี่ปีไม่ ก, กี่อาทิตย์เนี่ยมันก็เติมแต่งโดยที่เราไม่รู้ตัว ดังนคนที่รู้จักตัวเองรู้ทันความคิดนะมันก็จะรู้ว่าเนี่ยแม้กระทั่งความคิดก็ต้องรู้จักทักท้วง ม, มันบ้างแม้กระทั่งความจำก็จะไปเชื่อมันสติสำคัญมากนที่ที่ทาให้เรารู้ทันทั้งความคิดแล้วก็ความจำไม่ไปตกเป็นท่าของมันเอาละคำนี้ก็พึงกระทนี้นะอะกราบพระ